ริปสุดหลอนที่บนดอย ส, สัมผัสสยองก่อนอื่นเราต้องขอออกตัวก่อนนะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาบอกเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวน่าขลุก ที่เราได้พบเจอมากับตัวเองและเราจะขอใช้นามสมมุติว่าปานครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วปานกับครอบครัวรวมทั้งหมดประมาณสิเ็ดคนได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือณนะดอยแห่งหนึ่งด้วยจำนวนคนที่เยอะจึงเช่าเหมารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทาง พวกเราเดินทางไปจนถึงตีนดอยแล้วทางขึ้นดอยแห่งนี้ก็มีป้ายบอกทางเล็กๆแล้วถนนก็ค่อนข้างคดเคี้ยวมากระหว่างทางที่ไปไม่มีรถคันอื่นเลยพอพวกเราไปถึงด้านบนก็รู้สึกว่าที่นี่มันค่อนข้างสงบมีที่พักและสวนต่างๆสวยงามมาก เมื่อไปถึงที่พักพวกเราก็จัดแจงเช็คอินและรอเข้าห้องพักบรรยากาศที่นี่ดีมากๆถึงแม้แดดจะแรงแต่อุณภูมิค่อนข้างต่ำ 18-19 องศาเซลเซียสมันเหมาะแก่การมาเที่ยวชมดอกไม้ต้นไม้และพักผ่อนปินอย่างมากพวกเราเดินเล่นในระหว่างที่รอเข้าห้องพัก ชมความงามของธรรมชาติเวลาผ่านไปประมาณ15้านาทีพวกเราจึงได้เดินทางไปยังห้องพักเดินผ่านสวนดอกไม้ตามทางเดินเล็กๆ ก, ก็เจอห้องพักเป็นบ้านไม้แยกกันเป็นหลังๆเรียงรายอยู่ด้านหลังของบ้านพักเป็นป่าด้านหน้าเป็นทางเดินหินกรวดเล็กๆ เมื่อจัดของกันเสร็จแล้วพวกเราบางส่วนก็พักผ่อนกันเพราะมีผู้สูงอายุด้วย <c oughs> เวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นพวกเราก็ออกมารับประทานอาหารกัน <c oughs> นั่งคุยไปทานอาหารไปจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสองทุ่ม <c oughs> ก็ถึงเวลาปิดของร้านอาหาร <c oughs> เด็กๆจึงพาผู้สูงอายุกลับไปยังที่พัก บางส่วนก็เดินเล่นถ่ายรูปกับซุ้มดอกไม้ต่างๆเมื่อถึงเวลาพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารก็ปิดประตูร้านและรีบเล่งคี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่นี่ทุกอย่างปิดหมดไม่มีคนออกมาเดินเพ่นพานไม่มีเสียงผู้คนใดๆตอนนั้นปานไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ แต่มีความรู้สึกว่าอยากออกมาเดินเล่นเพียงลําพัง s <S บรรยากาศโดยรอบก็มืดมากมีเพียงแสงไฟส่องจากหลอดไฟตามเสาไฟเป็นบางจุดตามซุ้มดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ดวงไฟหน้าห้องพักฤรือดูหนาวนี้เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะมีเพียงดวงดาวสีเงินระยิบระยับมากมาย ปลอยปลายอยู่บนท้องฟ้าที่ดำมืดปานจึงเดินเล่นโดยรอบที่พักถือโทรศัพท์มือถือเปิดหน้าจอสว่างเต็มที่เมื่อส่องทางเดินตามทางเมื่อปานได้เดินไปด้านหน้าที่ทางเข้าก็เจอถนนเป็นทางตรงกว้างประมาณหเมตรซึ่งถ้าลงต่อไปจะเป็นถนนคดเคี้ยว เป็นทางเดียวกับที่รถตู้ขับขึ้นมาด้านล่างมีดวงไฟเล็กๆเปิดอยู่จากที่มองดูแล้วมันก็ไม่ไกลมากนักปานจึงเกิดนึกสนุกขึ้นมาเข้าใจว่าแสงไฟที่ด้านล่างนั้นเป็นร้านค้าเลยอยากได้ไอซสครียมเย็นๆสักแท่งแค่นึกก็ฟินแล้วเพราะตอนนั้น อากาศเริ่มเย็นลงกว่าตอนกลางวันกะว่าจะซื้อมาฝากเด็กๆด้วยเมื่อเดินลงไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟจากโทรศัพท์สองเครื่องส่องดูทางขณะเดินแต่มันก็ส่องได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้นตามทางเดินก็มีกรวดโรอยอยู่ไปทั่วเมื่อเหยียบลงไปก็จะมีเสียงดัง เป็นเสียงกรวดกระทบกันด้านข้างเป็นกอหญ้าขึ้นสูงประมาณเกือบเท่าตัวคนลมเย็นๆพัดมาเอื่อยๆแต่ไม่มีเสียงบรรยากาศมันเงียบมากมีเสียงแมลงกับพวกกบเขียดบ้างเป็นระยะพอปานเดินไปได้สักพักอยู่ๆก็เริ่มรู้สึกเสียวสลังว่า จนต้องหันหน้าไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่มีอะไรจึงหันกลับมาเดินต่อแง้มหน้ามองท้องฟ้าและมองไปรอบๆพร้อมส่องไฟไปด้วยสักพักก็เริ่มมีเสียงก้อนกรวดกระทบกันในใจคิดทันทีว่ามีคนเดินตามมาจึงหันไปมองตามทิศทางของเสียงแต่ก็ไม่เห็นมีใคร ตอนนั้นก็รู้สึกกลัวนิดๆใจเริ่มคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและเริ่มขนลุกจึงข่มใจเดินต่อพยายามนึกแค่ว่าถ้าเดินถึงร้านค้าแล้วจะซื้ออะไรบ้างเพื่อข่มความกลัวแต่ขาก็ก้าวแทบไม่ออกแล้วในตอนนั้นการเดินของปานช้าลงและรู้สึกว่าขาจะชาขึ้นมาดื้อ เสียงเดินมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเหมือนมันกำลังเคลื่อนตัวมาหาปานถ้าหากมันเป็นคนมันก็ไม่ใช่เสียงเดินของคนคนเดียวเป็นแน่แต่มันเป็นเสียงฝีเท้าของคนหลายๆคนกำลังเดินตามมาในความมืดด้วยความกลัวปานจึงค่อยๆหมุนจอโทรศัพท์ไปทางขวา พร้อมๆกับเลตาไปทางขวาข้างทางที่มีต้นหญ้าขึ้นสูงทันใดนั้นเองก็ไม่รู้ว่าด้วยแรงลมเอื่อยๆหรืออะไรบางอย่างมันทำให้กอหญ้า ก, กอหนึ่งแหวกออกซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับคนกำลังใช้มือแหวกอกอหญ้าออกแล้วจะเดินออกมาจากตรงนั้นแต่สิ่งที่ปานเห็น กลับไม่มีใครหยุดตรงนั้นเลยเสียงเดินบนก้อนกรวดก็ยังไม่หยุดปานเริ่มสติแตกกระเจิงจึงหันกลับมาแล้ววิ่งในทันทีอย่างสุดชีวิตแต่เสียงฝีเท้านั้นก็ยังคงดังตามปานมาและเหมือนกับว่ามันกำลังวิ่งตามมาอีกด้วยตอนนั้นปานไม่สนใจอะไรแล้ว วิ่งอย่างเดียวพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่ปานวิ่งอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างมันมีลักษณะคล้ายๆสีขาวที่กอหญ้าข้างทางซึ่งอยู่ด้านหน้าไกลพอสมควรมันโผล่โดดเด่นออกมาจากความมืดมีสีสว่างเหมือนผ้าพลิ้วไหว สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้ไฟส่องปานวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่มองเห็นสีขาวนั้นจึงหันไปมองด้วยความสงสัยแต่แล้วสิ่งที่เห็นมันกลับเป็นคนยืนอยู่ใส่เสื้อขาวยาวกว่าเสื้อปกติเหมือนเป็นชุดคลุมผ่าด้านหน้ายาวลงมาประมาณเขา่าคล้ายกับชุดงานบวช เสียขาวและโป่งแต่หัวและท่อนล่างปานมองไม่เห็นมันค่อนข้างมืดจึงเห็นเฉพาะเสือ้อเมื่อวิ่งพ้นสิ่งนั้นไปก็ถึงทางเข้าที่พักที่มีโคมไฟติดอยู่ปานก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากและทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติไม่มีเสียงเดินตามมาแล้ว จึงหันหลังกลับไปมองอีกทีจากจุดที่ปานยืนอยู่แสงจากโคมไฟสัดส่องเป็นระยะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ประมาณ 5-6 ถึงเมตรจากตรงนั้นมันจะไล่เฉดความสว่างไปมืดและมืดขึ้นเรื่อยๆปานก็มองเห็นเป็นเงาดำลางๆของคนยืนอยู่เยอะมากจึงรีบหันกลับทันทีแล้ววิ่งต่อ จนไปถึงที่หน้าห้องผักก็เคาะประตูเรียกอย่างแรงจนกระจกบางๆบนประตูไม้หน้าห้องสั่นสะเทือนเสียงกระจกมันเหมือนพร้อมจะแตกได้ทุกวินาทีเมื่อปานเข้ามาในห้องก็ไม่มีใครถามอะไรเพราะแต่ละคนนั่งกดโทรศัพท์กันอยู่ส่วนที่เหลือก็นอนหลับไปแล้วปานจึงเดินพุ่งพรวดเข้าไปในห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตาเพื่อดึงสติกลับคืนมาและคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคิดเพียงอย่างเดียวว่าผีผีอย่างเดียวเท่านั้นคนอะไรเยอะแยะมาเดินในที่มืดมืดแล้วก็ไม่ส่งเสียงหรือพูดคุยอะไรเลยประกอบกับสิ่งที่ปานเห็นชุดขาวยาวผิวไม่น่าจะใช่เครื่องแต่งกาย ที่คนปกติจะใส่มาเดินเล่นมืดๆแบบนั้นหลังจากนั้นปานจึงเข้านอนซึ่งภายในห้องจะมีเตียงใหญ่สองเตียงจากประตูห้องเข้ามาด้านซ้ายหนึ่งเตียงและถัดมาอีกหนึ่งเตียงที่มีคนนอนอยู่ด้วยความกลัวปานจึงไปนอนแทรกเตียงที่สองตรงกลางนอนตัวคุดคูเข่าแทบจะแนบกับอก มันกลัวจนไม่กล้ายืดขาเพราะกลัวว่าจะมีอะไรโผล่มาจากใต้เตียงมาจับขาตอนดึกเช้ามาปานก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนที่บ้านฟังเขาเลยบอกว่าที่นี่เชื่อกันว่ากว่าจะสร้างมาได้สวยงามขนาดนี้ต้องแลกด้วยชีวิตคนในพื้นที่ไปจำนวนมาก เพราะการก่อสร้างถนนและที่พักบนภูเขาสูงมันเสี่ยงอันตรายมากทางก็ชันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกันได้ทุกเมื่อและอีกอย่างป่าแถบนี้ในอดีตมีสงครามของคนในพื้นที่เพราะอยู่ใกล้ชายแดนเมื่อปานได้ฟังดังนั้นก็ขนลุกอีกรอบยกมือขึ้นพนมหนึ่งครั้งคิดในใจว่า ข้าพเจ้ามาเที่ยวไม่ได้มาลบหลูหรือสร้างความเสียหายรบกวนผู้ใดหลังจากพวกเราจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางออกจากที่พักจากหน้าทางเข้าออกมาไกลประมาณ1กิโลเมตรจึงจะถึงทางลงดอยตามที่เมื่อคืนปานมองเห็นตอนลงปานพยายามจดจ่องอยู่กับข้างทาง เพราะติดใจตรงไฟร้านค้าที่เห็นอยู่เมื่อคืนมันเป็นไฟจริงๆนะเห็นเป็นลักษณะเต้นเลยอยู่ไกลๆตรงทางลงดอยแต่พอขับรถผ่านมาตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงตีนดอยก็ปรากฏว่าไม่มีร้านค้าใดๆอยู่เลย สมผัทสยอง